و َ ت ِ ذ ا ل ق ر ْ ب َ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَزِّرْتَ ب ذ ِ ي ر ً ا إ َ ل َ ا ت ُ ب َِّ ر ِ ي ن ََ ا ي ر ن ه ُ ا ك و َ ا ن ا ل ش َّ ي َ ا ط ِ ي ن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وكان الشيطان لربه كفورا. وكان الشيطان لربه كفورا. ว่าอิหม่าตัวอริบัน عنه มุบฏิกรออะรหมนะ ا ันมุบฏิห้อะรห์มติมิรับบิคตระจสูร و َ نعوذ َُُ بالله َِِّ من ِْ شرور ُُِ أنفسنا ََُِْ ومن َِْ سيئات َ أعمالنا ََِ م َ ن ْ ي َ ه ْ د ِ ه ِ الله َُّ فلا ََ مضلله ََُُّ وَمَن ْ يُضلِلَ ْ ف َ ل َ ا ه َ ا د ِ ي َ ل َ ه ُ وَأَشْهَدُ أَن ْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ بِكَأَصْبَحْنَا วับิกะอَมซาَนาวับิ ا ะนามَูุวับิกะนัยยะไวไลคันนุชูร์อัลลอฮฺมะอัตร ا บบีลาอิลลาห์อิลลาَัต ل َักตَ ن ์นีวะอานะ عبد ِควะอานะัลَยอาฮ์ดิَวะวะดิَมَสตัปะด์อับูฮุลกับบินิอَมติกอาไลย์วะอับูบิดดِมْีฟักรฟิร์ลีฟะอินَ้าฮฺลายักรฟิร์ซَนูบ์อิลล a ม l a h u m m a มา n i a'uzubika min s h a سلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมาตยม اعة เวลา s ุ b h i เวลา f a ั r ที่รักทั้งหลายก็อัลฮัมดุลิลลาห์เราขอบคุณ a ุบ a سبحانه وتعالى ที่ เอาลอให้เราตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราได้นอนหลับไปเมื่อคืนนี้ดุวาบทแรกที่เราอ่านบนที่นอนก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดิอัลฮิยานะบาดามะอามะตานะไวไลฮินูชูร์ต้องขอบคุณอัลลอฮฺ การขอบคุณอัลลอ์เนี่ยทำให้ใจหัวใจของเราเนี่ยสงบ ก, การทำให้หัวใจสงบมีอยู่สามสี่แบบด้วยกันอัมยูสี่แบบเข้าใจง่ายๆมีอยู่สี่แบบแบบที่หนึ่งก็คือํำลึกถึงอัลลอ์ผ่านบทดวอะต่างๆคิดถึงอัลลอฮ์เนี่ยผ่านบทดวอะเช่นจะขึ้นรถ นึกถึงอัลลอ์จะใส่เสื้อผ้านึกถึงอัลลอ์จะเข้าห้องน้ำปฏิบัติตามสุนนะอับบีเพราะนอบีสอนดูอาทั้งหมดจะออกจากบ้านเดินเข้ามัสยิด <c oughs> นี่เป็นการรำลึกถึงอัลลอ์ทั้งหมดแล้วมีดูอาตอนเชา้าดูอาตอนเย็นสองนะครับ การอ่านอุปราชเนี่ยทบทวนอัลกุรอานเนี่ยเป็นการดำลึกถึงอัลลอฮ์ทำให้ใจสงบประการที่สามได้ความรู้แล้วเนี่ยได้ความรู้จากอัลกุรอานเนี่ยเอาไปเอาไปสอนต่อเอาไปบอกต่อเอาไปบอกภรรยาก่อนกลับไปบ้านกปเล่าภรรยาฟังเออเด็กที่เป็นนั่งฟังตับซีกุรอานมาได้ มุมองอ้าวให้เล่าให้ภรรยาฟังเล่าให้ลูกฟังก่อนเวลาขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนเล่าท่านมีใจสงบประการที่สี่อาการที่สี่การทำเรืร่องถึงเอาล่อทําให้ใจสงบก็คือการทําอิบาตด่าทั้งหมดเนี่ยนะอิบาตด่าทั้งหมดเลยตะ้งแต่อ่านกูรานตั้งแต่นามาศ ทำความดีอื่นๆทำความดีกับพ่อแม่ทั้งหมดเหล่านี้ทำให้หัวใจของเราสงบทั้งหมดขอบคุณนล้อนะครับเราทบทวนผู้อ่านสุระอัลอิสร้อเนี่ยพูดถึง <c oughs> นบีขึ้นข้างบนไปรับนามาดมา <c oughs> อัลฮัมจูดิละแล้วก็ ในคอมพิวอร์อ่านแต่ละอายะห์แต่ละอายะห์ะะะะที่เราเรียนมาเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดเรื่องเตาฮีตทั้งหมดนั่นแหละเล่าเหตุการณ์ต่างๆเพื่อให้เรานึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานาอูตะละเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราอ่านสุรห์นี้แหละแล้วก็อายะห์ที่ยี่สิบสามเนี่ยขอทวนนิดนึงนะครับอัลลอฮ์สั่งให้ลูกทุกคนเนี่ยทำดีกับ พ่อแม่ก่อนที่จะสั่จะสั่งให้ทําดีกับพ่อแม่เนี่ยอัลลอฮ์สั่งให้ทําอะไรนะว่ากบอรอบุกะอัลลาตับบูดูอิลลัอิยาหูสั่งให้ทุกคนให้ลูกทุกคนนั้นทําดีกับใครนะพ่อให้อย่าเคารพสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ก่อนจะทําดีกับพ่อแม่เนี่ยให้นึกถึงอัลลอฮ์ก่อนว่ากบอรอบบุกะอัลลาตับบูดูอิลลัอิยาหู อัลลอฮ์ประพูอับิบานของท่านเนี่ยสั่งอย่าให้ท่านทั้งหลายนั้นเคารพสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เวลามีปัญหาให้ขอจากอัลลอฮ์องเดียวแต่ท่านคนที่ไปหาโตะตะเกียโตะระยองนี่นัน่นน่ะผิดผิดอย่างแรงเลยเราก็ต้องบอกกันเตือนกันนะ <c oughs> เมื่อไม่ชืด อ, อีกต่ออัลลอ์แล้วเนี่ย ข้อที่สองก็คือวิบิลวะลีใจอิยาสานาให้ทําดีกับบิดามารดาแต่ยกได้นําฮะดีสมาสามสี่ฮะด้วยกันในอัลกรุรอานได้อธิบายว่าเวลาพ่อแม่แก่ชาราอิมายับลุกันอินเดกะลกิบะราเพ่อแม่แก่ชาราแก่ชาราเนี่ยอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ดีแก่ชารา หกสิบนะเอาหกสิบขึ้นเฉลิมเจ็ดสิบแล้ว <c oughs> ท่านคนอายุหกสิบเนี่ยคนคนแก่แล้วแต่นี่ลูกต้องรู้ว่า น, นี่พ่อหกสิบแล้วนะปวดกษียแล้วเนี่ยลูกทำอะไรกับพ่อแม่ที่อลัลลอฮสั่งในะัมีกรุรอานสรุปง่ายๆ่ยมีอยู่ห้าข้อ เนี่ยจาก ค, คัมภีรอ่านนี่แหละมีอยู่ห้าข้อข้อที่หนึง่งฟา ล, ลาตะกุลละหูมาอุฟอย่าพูดคําว่าเอเอเออเฮ้ลูกพูดพ่อพูดไม่ได้งานนี่พูดไม่ได้เลยจะนีล้ลูกจะรู้ได้ยังไงอ่ะถ้าลูกไม่เรียนศาสนาแล้วพ่อก็ต้องตองเอากุมภรอ่านนี่แหละอาย่านี่แหะสอนลูกสอนที่บ้าน เวลาตะคุณเรามาลูกเ อ, อ้ยอย่าพูดกับพ่อแม่คำว่าเฮ้อือย่าพูดแล้งลูกนะข้อที่สองวลาตั้นฮารุมาอย่าอะไรนะอย่าขมคู่หรืออย่าตะวาดมีพ่อแม่มีแม่อยู่คนหนึ่งเนี่ยทวนความจำนะป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลหมอบอกว่านี่หายแล้วปกติแล้ว แข็งแรงแล้วแม่ก็เตรียมตัวจะออกจาโรงพยาบาลได้ยินลูกคุยห่างๆได้ยินเข้าหูบอกว่าเดี๋ยวแม่กลับไปถึงบ้านนะเราก็ส่งแม่ไปอยู่ที่บ้านพักคนชราต่อได้ยินลูกพูดอย่างนี้เนี่ยกำลังใจหมดเลยกำลังใจนะกาลังใจเนี่ยห่อแลวอ๋อลูกมาได้รักมาได้รักแม่เลยเนี่ย อาการสุดเลยสุดเลยกำลังใจท้อแท้สุดเอาลูกพูดพูดกับพี่เราเลยนะเอาแม่ไปไว้ดีบัณนพักคนชร า, าเหมือนคนฝั่งกันนก้นําทำกันน่ะแย่เลยแม่หมอก็ตกใจกลับมานี่แม่เป็นอะไรอาการมันหนักลงนะแล้วก็เสียชีวิตภายในไม่กี่ชั่วโมงเนี่เสียชีวิตเลย นี่เป็นเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยท่านลูกเนี่ยลอกวัลยาน่นี่อย่าพูดอะไรให้เข้าหูแม่ในทางที่ไม่ดีอย่าพูดต้องเก็บเก็บไปหมดเลยนะครับขออุ่าตัวอลัลลอ์เราต้องดูแลแม่อย่างดีต้องเลี้ยงแม่นี่นะในตับเซตภาษาอูรดูเนี่ยอธิบายดีก็บอกว่าตาซีบคนฝรั่งเนี่ย พัฒนารมประเพณีปฏิบัติของคนฝรั่งก็คือว่าเลี้ยงลูกให้โตอาขินบาลีกแล้วพอแต่งงานแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเชิญท่าฝรั่งก็ทํากันแบบนั้นพวกยุโรปในอเมริกายุโรป ก, ก็ทํากันแบบนั้นส่วนใหญ่ะประเพณีปฏิบัติคือมารยาของคนในตะวันตกเนี่ยเขาเลี้ยงลูกให้โตพอโตแล้วอิสระลูกจะไปไหนก็เชิญแต่งงานแล้วไปอยู่นั่นก็เชิญ ถ้าจะมาเยี่ยมพ่อแม่ก็เยี่ยมในฐานะวันอะไรนะวันคริสต์มาสอ่แค่นั้นพอแล้วความสัมพันธ์เนี่ยมันขาดตกเป็นหมดเลยขาดตกบกพร่องถามว่าประเทศนี้ปฏิบัติของพวกยุโรปเนี่ยเขาถือปฏิบัติแต่ข้างบนพอใจไหมล่ะอัลลอฮ์พอใจไหมมรณาอับุลฮาซันเนี่ยเป็นอลอ์มะของอินเดียเดี๋เรยรูย้จักมณอับุลฮาซันเสียชีวิตไปแล้ว ท่านไปเยี่ยมอเมริกาไปอังกฤษหลายประเทศไปทัวร์ท่านพูดบอกว่าพี่น้องชาวโยุโรปเอ๋ยท่านเนี่ยเอาคาสอนของทื่ว่าผ่านนาบีอีสานะมาสอนเนี่ยคนในประเทศตรงท่านเนี่ยมากี่ปีแล้วท่านเนี่ยบอกว่าฉันเนี่ยเอาคำสอนของนบีอีสามาสอนประชาชนใน ประเทศของท่านน่ะแล้วเป็นยังไงสังคมเป็นยังไงพอที่ลองหันมาเอาคําสอนที่ผ่านนบีมุฮัมมัดไปชาติยุบงซิกพูดดีไหมเอาคําสอนที่ว่าผ่านนบีอีสาผ่านพระเยซูเนี่ยเอาไปสอนแล้วเป็นยังไงเนี่ยประเทศชาติเป็นยังไงสังคมเป็นยังไงดีขึ้นไหมมันยิ่งแย่ลงแย่ลงแย่ลงเปลี่ยนใหม่ได้ไหมเอาความรู้ที่ผ่านนบีมุฮัมมัดเอาไปสอนดู อัลลอฮ์พูดดีมากเลยแหละฮามดูลิลาฉะนั้นวันนี้ถ้าต้องการจะให้ครอบครัวมีความสุขยังอื่นไม่มีนะครับมีอยู่อย่างเดียวคือเอาคำที่คุรานเนี่ยที่ผ่านนนดีมุฮัมมัดเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันฉะนั้นลูกกับแม่เนี่ยลูกกับพ่อเนี่ยขาดกันไม่ได้ต้องติดต่อกันตลอดแล้วมีรางวัลตอบแทนจากอัลล์นะ ข้อที่สามว่าพุลลาหูมาเาลังการีมาพูดกับท่านทั้งสองด้วยคําพูดที่การีอะไรนะพูดจาดีไพรส์สังเกตมนี่เรื่องคําเรื่องเรื่องพูดพูดหมดเลยใช่ไหมเวลาตะคุณเรามาอุ้บอยพูดคําว่าฮึประการที่สองอย่าตว่าท่านใช่ไหมคําพูดทั้งหมดอันที่สามพูดเพราะเพราะนี่สาคัญเฉพาะเลยนะพูดกับท่านทั้งสองพูดดีๆ ข้อที่สวักฟิบละหุมายานาฮัจุลลีไมน์ะรหมะข้อที่สีที่สั่งเลยนะจงนอบน้อมอิคฟิเนี่ยแปลว่าจงนอบน้อมแก่ท่านทั้งสองเลยยานาฮัจุลลนี่แปลว่าปีกยานาแปลว่าปีกทุกคนมีปีกหมดนะแต่ที่ปีกที่นี่หมายถึงอะไรตาแหน่งอ่ะอ่าทุกคนมีตาแหน่งหมด บางคนก็นเป็นครูบางคนก็นเป็นอธิการบดีบางคนก็นเป็นอาจารย์บางคนก็นเป็นหมอมีตั้มีตำแหน่งหน้าที่ดูกันทุกคนแค่นั้นจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ตามเมื่ออยู่ต่อหน้าพ่อแม่ต้องอะไรนอบน้อมแก่ท่านทั้งสองลดปีกลงอุลลูให้รด้นะให้เล็กให้ตามให้น้อยต่อหน้าพ่อแม่จะเป็นจะเป็นอะไรก็ตาม จะเป็นนายกรัทมนตีต่อหน้าพ่อแม่ก็ต้องเล็กจะเป็นสอสอ ส, อสอวอใหญ่ขนาดไหนต่อหน้าพ่อแม่เล็กลาามากึกนี่อัลลอฮฺสั่งต่อมาครับว่ากุรบบิรหัมหูมาทีนี้ตอนที่นอบน้อมถ่อมตอน แกท่านทั้งสองซึ่งการถ่มตนเนื่องมาจากความเมตตาอ่านาราธรรมะเนื่องจากความดีที่พ่อแม่ใดเคยเลี้ยงดูเรามาอุปถัมเรามาอาลลรรนี่เราในเรียนหนังสือจบเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่สนับสนุน่ะจบไหมน่ะ <c oughs> ไม่มีทางถ้าพ่อแม่ไม่สนับสนุนเนี่ยให้เรียนหนังสือเนี่ยมาให้กําลังใจเราเนี่ย ไม่มีทาเลยนั้นลูกๆที่ไปได้ดีมาทุกวันเนี่ต้องนึกถึงพ่อแม่ในรัมนี่แหละให้กำลังใจเรามาตลอดนะครับนั้นนึกถึงรัหมาความเมตตากรนนะีข้อที่ห้าวากูรบิราหมหูมาและให้ขอดุอากุลนับว่าจงกล่าวมาถึงให้ขอดุอาใช่ไหม เรื่องดูอาเนี่ยลูกต้องนึกถึงพ่อแม่พานบนดุอาต่างๆขอว่าไงครับรอบบิรหัมฮุมาฆ่าแต่บัพุอภิบาลของฉันเอ๋ออิรหัมฮุมาทรงโปรดเมตตาแก่ท่านทั้งสองให้ขอดูอาว่าอิรหัมฮุมาขอจากอัลลอฮ์เนี่ยให้อัลลอฮ์ประทานความเมตตาให้กับพ่อกับแม่ทั้งสอง กามารม บ, บายานิสอรีรอเช่นที่ท่านทั้งสองได้เลี้ยงดูฉันเมื่อตอนสอริตอนอะไรตอนเล็กๆตอนเยาวัยอยู่ให้นึกนี่ทลงว่าสรุปมีอยู่นะห้าข้ออ่าแต่นี้อาศัยอุลมาอีกอาศัยอุลมาอีกอุลมาอาธิบายดีนะ นอกจากห้าข้อนี้แล้วอุลมะอธิบายต่อเพราว่าโเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเรื่องอาหารเรื่องอาหารกับพ่อแม่เนี่ยนะให้ให้อาหารให้ตรงเวลาให้นําอาหารมาให้พ่อแม่ตรงเวลาอย่างพ่อแม่อายุเยอะๆหกสิบเจ็ดสิบแล้วเนี่ยเราก็สั่งภรรยาเราทหากเราอยู่กับพ่อแม่เราเนี่ยนะหรือว่ามีคนดูแลแทนเราเนี่ยเราบอกอาหารนะ ถ้า12โมงให้นําอาหารมาให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตรงเวลาเป๊ะเลย12โมงกับ12โมงเนี่ยอุลมะแนะนำดังเพราะว่าคนคนคนผู้ใหญ่เนี่ยก็หิวอะ่ะบางทีหิวก็เข่าครัวก็ออมไม่รู้อาหารอยู่ที่ไหนใช่ไหมเนี่ยเอาอาหารมาให้พ่อแม่ตรงเวลาแล้วก็เวลาให้ต้องให้แบบยิ้มยิ้ด้วยนะไม่ใช่เสือกพรวดอัลลอฮ์นะก็ว่าเห็นแค่จานเสือกใน่าอิ่มแล้ว ท่า น, นต้องมารยาท ต, ตรงดีมากเลยนี่เราพ่อแกก็รู้แหละตอนนี้รู้แล้วโอ้าลูกทําดีพูดจาดีๆนี่ยมันอิ่มเอิบนะถ้าพูดจาสบัดสบัดเนี่ยอืมอ ม, อมขอดมาตอลอดแตีนี่เราเลี้ยงลูกยังไงปัญหาใหญ่เราเลียลเเล้ยงลูกอ่ะมันแต่เราต้องเลี้ยงลูกต้องนึกนะนี่อัลลอฮฺส่งอามานะอานีมาดูแลลูกให้ดี ถ้าพ่อแม่เราเราเองดูแลลูกเราอย่างดีใช่ไมสอนอิสลามอย่าลืมว่าต้องสอนอิสลามมารยาทอิสลามแล้วลูกก็จะดูแลเราอ้ออักบัดอันนี้มันยิ่งใหญ่มากเลยนะครับมีฮะดีษอธิบายต่ อ, อย่างนี้คำว่าราะมะเนี่นะเป็นทั้งศาสนาและดุนยาเป็นคำพูดรวมนะราะมะเนี่ย ยาหนาฮ z ุล l ิมินะร r ะห m ม ah. ะคำว่ราราะห์มาเนี่ยแปลว่าอะไรนะความเมตตาเนี่ยทางด้านศาสนาและด้านดุ ญ, ญาด้านศาสนาและด้านด้านดุ尼ด้านดุ ญ, ญาและด้านอาคิรโลกทั้งสองโลกเนี่ยต้องนึกตรงนั้นนะครับท่านอิมามอามัลมาดใน้อธิบายบอกว่ามีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบี นะมหาท่านนบีมาขออนุญาตอรัตุลกัสวฉันต้องการจะออกไปทำสงครามสงครามเนี่ยออกไปมันมีตายกับไม่ตายสองอย่างนะมหาทานบีวัจิตุกะอชตาชีรูกะฉันมาเพื่อมาขอคาปรึกษากับท่านนบีนบีเป็นที่ปรึกษาวันนี้ก็เหมือนกันนบีไม่มีก็จะปรึกษาใคร อุลามาอุลามาดีที่สุดนะ่ะเวลาเรามีปัญหาบางทีเราคิดเราไม่ออกด้านศาสนาเราก็ต้องไปหาอุลามาคนสมัยนบีมีปัญหาไปหานาบีอัสตาชีลูกาชันมาเพื่อจะมาหาอะไรอะคาชชี้ขอคําแนะนํามาไปที่ปรึกษาขอคําแนะนํา้วบท่านนาบีบอกว่าอรัตุลกัสวะชันต้องการจะออกไปทําสงครามนาบีถามฟาฮลลากะมินอ ah um ุมิน แม่ยังอยู่หรือเปล่าเห็นไหมแม่อยู่เปล่าออกออกสองครามมาดีดีมากๆเลยพอไปแนละ้วคุณได้จิ h a d ถามว่ามะอยู่เปล่าแม่อยู่เปล่ากอแหลนามชาเขเรียกว่าแม่แม่ฉันยังอยู่ฝกอหลนบีตัวว่าฟกอัลซิมฮะคุณไปอยู่กับแม่ของคุณไปเห็นยังไปอยู่กับแม่ไปอยู่กับแม่ครับ ฝ่ายอินนัลจันน่าอินดาลฮเพราะว่าสวรรค์นั้นมาอยู่ที่อยู่ที่เท้าของแม่ของคุณเห็นไหมเนี่ย น, นบีพูดเองนี่ยข้าร ม, มอัลกมัดได้บันทึกข่ดิสเน่มาจะต้องการดูแลแม่นี่เป็นเรื่องใหญ่มากจะนายขออนุญาตไปทำสงคารามนบีาำแม่คุณอยู่หรือเปล่าบอกแม่อยู่ยังไม่ตาอยู่ก่อนอยู่ก่อนดูแลแม่ก่อนอัลฮัมดูลิลลา สำคัญมากครับฉะนั้นนักเรียนศัลยวิทถามที่อยู่นี่ห่างแม่ต้องขอทุอาเยอะๆขอทุอาให้มะยิ่งเราเรียนหนังสือ น, นี่นะอัลลอฮอนั่งอ่านกุปรานทุกวนันอ่านฮะดิษ ท, ทุกวนันอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์กับรอซูดมากที่สุดขอทุอาให้พ่อแม่อัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับอ้าวอีกฮะดิษหนึ่งท่านมิกดามบินมาดีกะ อันนินบ um, ี toi, ุลลัลลอฮิวะสัลลัมก็ลอินนัลลอฮะยูซีกุมแท้จริงเนี่ยนี่นบนีสอนนะแท้จริงอัลลอ์เนี่ยสั่งเสียท่านทั้งหลายดีคพัอธิบายนะให้ทาดีกับใครนะกับพ่อบอาบาอีกุมให้ทาดีกับพ่อแล้วก็นบีก็สอนอีกวักหนึ่งอินนัลลอฮะยูซีกุมบอุมมาฮ์ทีุ่มอัลลอฮ์สั่งให้ลูกๆเนี่ยทำดีกับแม่ทั้งท่า พูดพ่อก่อนถ้าต่อมาแม่พอพูดถึงแม่เนี่ยพูดถึงสาครั้งนะอินนลอฮฺอ um ยูซี um ่คุ้มบิุมมาฮาที่คุมอิลอเนี่ยสั่งสั่งฉันนะให้บอกพวกท่านเนี่ยให้พวกท่านทำดีกับพ่อก่อนต่อมาแม่แม่แม่แมโอพ่อก่อนพวกกี่ครั้งครั้งเดียวสดงว่าพ่อเนี่ยใหญ่แล้วให้ทำดี แต่นบีเน้นกี่ครั้งครั้งเดียวพอพูดถึงเรื่องแม่นะ่ะพูดกี่ครั้งสามอุ้มมูกะอุ้มมูกะอุ้มมูกะพูดถึงแม่แม่นะี่ยพูดสามครั้งเห็นยัง<ม>อลัลลอฮ์มองตรงไหนนบีมองตรงไหนมองด้านหัวใจด้านหัวใจของแม่เนี่ยอ่อนมากกว่าพ่อพ่อแข็งอลอฮ์ได้าตัดเนี่ยั้งสามเส้นยังยังแขปุบ๊บเลยดีไหม รับรถมานมาพิสัสโนวะทำได้เนี่ยแต่แม่เนี่ยไม่ไหวแท่า น, น, นะใจอ่อนพูดจารุ่งแรงลูกพูดจาแรงนี่แม่จะใจไปก่อนเพื่อนแหละท่านต้เอาใจแม่ให้มากเป็นเป็นพิเศษเลยกับแม่นีพิเศษแล้วก็ <c oughs> ต่อมาใครครับอินนัลลอฮะยูซีกุมบิลอักรอปญาติใกล้ชิดญาติใกล้ชิด ครั้งว่าญาติใกล้ชิดนะมีใครรู้เปล่าไม่มีอยู่แปดเก้าคนนั้นแหละแล้วมันไม่ได้เยอะหรอกญาติใกล้ชิดนะหนึ่งใครพ่อสองแม่สามลูกชายสี่ลูกสาวห้าน้องของพ่อหรือพี่ของพ่อแล้วก็หก ญาติของแม่เนี่ยจะเป็นพี่สาวแม่น้องสาวแม่เนี่ยเราต้องทําดีกับคนเหล่านี้นี่เขาเรียก่าญาติใกล้ชิดญาติใกล้ชิดนอกจากนั้ น, นทางก็เห็นหน้าก็ทักกันคุยกันธรรมดาก็ช่วยเหลือกันธรรมดาแต่ญาติใกล้ชิดเนี่ย อ, อัลลอฮ์นะครับอลัลลอฮ์สั่งนักตงางศาสนาให้ทําดีกับญาติใกล้ชิดอขอทวนยิ่งย้ายไปชิดไปไกลว่างหนึ่งพ่อเราสองแม่เรา แม่กับพ่อเนี่ยแม่ต้องเป็นพิเศษนะแล้วก็ต่อมาใครอีกครับลูกชายเราลูกสาวเราสี่ใครอีกครับพี่น้องฝ่ายพ่อ๋ยวกจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามแล้วก็พี่น้องฝ่ายแม่โอ้โหแล้วก็เราลูกเราอีกอะแล้วก็หลานอีกอะนี่มันเกี่ยวโยงกันหมดนี่มัญาติใกล้ชิดทั้งหมดให้ทำดีให้ไปมาหาสู่กันเยี่ยมเยียนกันให้ ส่งของขวัญกันให้สตังการช่วยเหลือกันย้ายกลายชิดนะครับ <c oughs> <c oughs> มีห a d i t อีก h a d i t หนึ่งนะครับท่านอายุบ h a d i t มีสามดี d i นะนำมาอธิบายวันนี้ <c oughs> ท่านอายุบอันอันซอรีเนี่ยได้เล่าบอกว่ามีชายคนหนึ่งมาหาท่านนาบีเป็นห a d i t ของบุฮอรีกับมุสลิมชายคนนี้มาก็มาถามนาบีบอกว่าอักบิร์นี จงบอกฉันหน่อยโอ้เราซูลเอ่อยสิ่งที่ฉันทำแล้วจะได้เข้าวสวรรค์วายุบาอิดนีมินันนาและก็ทำให้ฉันเนี่ยห่างจากไฟนรก <c oughs> นบีบอกคุณถามปัญหาที่ดีมากเลย <c oughs> คุณเนี่ยอยู่ในทางนำอยู่คุณมีศาสนานะคุณที่ถามปัญหานี้นะคนที่ถามปัญหาข้อนี้นะคนนี้เป็นคนดีอยู่แล้วนะนบีตอบว่าข้อที่หนึ่ง ลาตุศริกบิลาตั้งมูรุลลาอย่าพักดีคนอื่นนอกจาก AH อัลลอฮ์องเดียวอย่าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เรื่องชริกนี่เรื่องบาปใหญ่มากเลยนะข้อที่สองครับวัตักี่มุสซอลาจงดําริไว้เึ่งการนมาดต้องนมาดอย่าให้ขาดพยายามรักษานมาดที่ไหนที่มัสยิดนึกถึงนมาด ต, ต้องนึกถึงมัสยิด นึกถึงการเมืองนึกถึงประยุทธ์ใสภาใช่ไหมอร่อยนึกถึงนมาต้องมัสยิดต้องนึกอย่างนี้เลยนมาต้องมัสยิดนะครับต่อมาข้อที่สามวัตุติยาสกาให้จ่ายสกาข้อที่สีเนี่ยแทนที่จะพูดเรื่องรมลอมไม่พูดวัตซิลูจาโรฮิมกาให้ติดต่อกับญาติใกล้ชิดเห็นไหม ทุกคนอิสลามน่มีอยู่หข้อใหญ่ๆแต่นบีพูดแค่สามเองไปไหนให้ทำดีอย่าชดิตต่ออัลลอ์ให้นามาทายใจยสะกาศพอข้อที่สี่าจะพูดเรื่อง ร, รมฎอนไม่พูดพูดว่าอะไรนะให้ติดต่อกับเครื่อยาตใกล้ชิดอัลลอฮ์เื่อยติมีใครพ่อเรามะเราน้องของแม่พี่ของพ่อน้องของพ่อลูกชายเราหลานเราต้องดูแลให้ดี ดูแลไม่ใช่ดูแลให้อ้วนอย่างเดียวนะต้องเอาอะไรป้อนเอกต้องเอาอิสลามป้อนเอกศาสนาด้วยเงินด้วยอาหารด้วยที่อยู่อาศัยแต่อย่าลืมอิสลามต้องให้อิสลามมารยาทของอิสลามฟาร์ ม, มาอาดบารอเมื่อชายคนนี้เดินกลับพอฟังนบีพูดสี่ข้อใช่ไหมก็เดินกลับพอเดินกลับนบี บ, บอกว่าอินตามัสก์ก์ Uh บ, บีมาอามาร์ตูหูบีฮีดะคนลังจันนะสับานนั่งยุกกะิีมนาบีหลายคนพี่บอกคนนียถ้าชายคนนี้เนี่ยนะยึดคําพูดของฉันไปปฏิบัติสีข้อเนี่ยไปสวรรค์ไปสวรรค์เลยข้อสุดท้ายคือติดต่อกับเครือญาติของเองร่างติดต่อกับเครือญาตินี่มันเครื่องใหญ่มากเลยวันนี้ที่ทะเลาะ ก, กันก็เพือญาติใช่ไหมเราทะเลาะ ก, กับเรือญาติดี่มาต้องง้อ ก, ก็ได้พร้อมญาติ แต่ไม่ใช่นะยิ่งเครือญาติเท่าไหร่ยิ่งสร้างความสัมพันธ์ไปมาหาสู่การเยี่ยมเยียนกันส่งอาหารให้กันนีอยู่คนหนึ่งโทรศัพท์มาถามถามผมบอกมะนะแใจดำเหลือเกินอ้าวมะใจดำกับผิดอยู่แล้วนะถืออาหารเนี่ยผ่านหน้าบ้านแล้วก็ไปให้อีกบ้านบรญญายกัน เคยให้อาหารที่บ้านใช่ไหมลูกก็เสียใจ่ะดูมะสิดูมะดูมะทําสิถือขนมมาถือแกงมาผ่านหน้าบ้านฉันแล้วไปให้บ้านอีกบ้านหนึ่งญาติญาติันโทรศัพท์มาเล่าบอกฉันเสียใจมะทําอย่างงี้มันช้ำใจเขบอกว่าเคยขอดุอาให้มะไหมไมันก็จะขอเท่าไรหรแล้วจะขอยยังไงอ่ะดุอาบทไหนอ่ะ คุณปนเอกนาเนี่ยรบบิบลฟิลลีวาลิวาลิดายาวารหัมฮูมากามารบบบยานีสวีโรขอเลิกขอเท่าไหร่จานวันละครั้งบอกไม่ได้ห้าสิบถึงร้อยขอไปเลยเยอะไปนะอาจารย์เยอะก็ทำจะทำก็ทำมาสักสองสาอาทิตย์ก็หลังโทรศัพท์มาจานเกียบร้อยเล้ยวมาเอาอาหารมาให้เดินมาให้ที่บ้าน อยู่เรื่อข้างบนข้างบนสัง่งอาจจะว่าล่ะฉะนั้นลูกต้องมันขอดูอาให้กับพ่อแม่การขอดุอาให้พ่อแม่เนี่ยอัลลอฮฺอัลบัลมันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วฉะงนั้นลูกต้องติดต่อกับพ่อแม่ผ่านใกล้ผ่า น, าานอัลลอฮฺสุบฮานาห์วะตาลาเพราะอัลลอฮฺเนี่ยเป็นอัลลอฮฺลลอเนี่ยยิ่งใหญ่มากนะเปลี่ยนให้หัวใจใครมาสงสารเมตตาเราได้ไหมได้ทั้งหมดอัลลอฮฺช่วยได้หมดเลยนะครับ เอาต่อมาอายาที่ห้าี่สิบครับรับบุคุมอาลามุบิมาฟีนุฟูซิคุมอินตะคุนุสอลิฮีนฟิน فإنّه كان ล ل أ و ّ ا ب ي ن غفورا รับบุคุมแปลว่าพระผู้อธิบาลของสูเจ้า อัลัมแปลว่าทรงรู้ดียิ่งบิมาฟีนูฟูซิคุมสิ่งที่อยู่ในจิตใจของสูรเจ้าอัลลอฮ์ประพูอภิบาลของท่านทรงรู้ดียิ่งสิ่งที่อยู่ในจิตใจของสูรเจ้าอายานี้ต้องการจะอธิบายอย่างนี้เวลาทําดีกับพ่อแม่เวลาทําดีกับพ่อแม่กับญาติพี่น้อง ญาติใกล้ชิดอะไรก็ตามเนี่ยนะต้องทําด้วยใจเวลาทําเนี่ยอย่าทําด้วยทําเป็นพิธีทําอย่างงั้นนแหละไปหามะกับไปหามะแบบมันจะใจไม่ได้ไปด้วยไปแต่ตัวอย่างเงี้ยไปพระู้วังพระดกเยอะอะไรมะ <c oughs> ไปก็บพระผู้วังพระดกหรือว่าราชสยามเงินเนทองทองพวกเนี้อย่าอย่าทําอย่างงั้น อ้ายานี้ต้องการจะเตือนว่าเวลาทําความดีต้องทําด้วยหัวใจเพราะอัลลอฮ์นั้นมองคนที่หัวใจอินนัลลอฮ์ฮะลาญดุรุอิลาสุวาลิกุมวะลากินยัญุรุอิลาคุลบิกุมบะอัมาลิกุมอัลลอฮ์มองคนไม่ได้มองที่หน้าตารูปร่างนแต่อัลลอฮ์มองคนที่หัวใจและการปฏิบัติท่าเวลาไปหาพ่อแม่อยู่กับพ่อแม่อยู่ญาติใกล้ชิดต้องทําความดีด้วยหัวใจที่ อัลลอฮที่เต็มไปด้วยความเมตตาวหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮสุภาห์นะฮุวาตาละอย่าทำเพลินๆไม่เอาต้องทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์จริงๆนะครับโอ้ดีมากครับกุรามสอนดีนะรับบุกุมอาลลมูบิมาฟีนูฟูซีกุมพระผู้อภิบาลของสูเจ้าทรงรู้ดียิ่งสิ่งที่อยู่ในจิตใจของสูเจ้าดันั้น เวลาทำความดีต้องทำความดีด้วยหัวใจต่อมาครับอินตะกูนูซเลหีหากสูเจ้าเป็นคนดีซอลเพราะว่าเป็นคนดีคนดีหมายความว่าไงพี่น้องคือต้องการที่จะทําความดีกับพ่อแม่หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺเป็นยังไงคนที่ทําความดีแบบนี้เนี่ย ไฟินนาหูกาณลิลอวาบดังนั้นพระองค์เป็นผู้ทรงอภัยเห็นไหมเป็นผู้ทรงอภัยคนที่ทําความดีทั้งหมดนั้นอัลลอฮฺจะอภัยความผิดของเขาทั้งหมดที่มีอยู่นี่ทําดีกับพ่อแม่โออัลลาอฮฺอภัยยโทษให้นามาตอัลลาอฮฺอภัยยโทษให้อาบน้นานมาตอัลลาอฮฺอภัยยโทษให้ ติดต่อกับญาติพี่น้องอัลลออัยทุกข์แต่ต้องทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์อีม่านั้นวักวักซาบันทำด้วยให้อีมานเพิ่มแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮุบฮานูวะฟาินาหูกาณลิลอวะบินเดี๋ยวนี้คำคำวาวบีนเนี่ยแปลว่าอัลลอฮผู้ทรงอภัยเนี่ยนะคำอธิบายเยอะหนึ่ง อรอเยไอนอิลลอหคนที่กลับเนื้อกลับตัวไปหาอัลลอฮต้องการจะบอกว่าลูกคนใดก็ตามที่ทําอะไรผิดวิธีเกาวบ้าตัวต่ออัลลอฮไม่มีอะไรดีเท่ากับหันมาดูแลพ่อแม่ตัวเองเป็นการลดโทษอัลฮัมดุลิลละคนมีหาดิษบทหนึ่งอธิบายอย่างนี้มีชาตคนหนึ่งไปทําบาปใหญ่มา ทีแล้วก็มาหานาบับดุลาซูลอัลฉันเนี่ยทำบาปใหญ่ไว้อลัลลอฮ์นบีจะฉันจะมีทางลดโทษของฉันได้ไหมนบีถามว่าแม่อยู่บ้างบอกแม่เสียชีวิตไปแล้วพี่ของแม่มีไหมยังอยู่ไหมหรือตายไปแล้วเขบอกพี่ของแม่ยังอยู่นบีบอกไปทําดีกับพี่สาวของแม่ไปลดโทษไปทําดีกับพี่สาวของแม่ ถ้าแม่อยู่ทําดีกับแม่ลดโทษถ้าแม่ไม่อยู่ไปทําดีกับพี่สาวของแม่หรือน้องสาวของแม่เท่ากับเป็นแม่ของเราเองเลยเป็นอย่างด้านการทําดีกับอัลลอฮ์กับญาติกลายชิดนี่นะมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์แล้วก็อาวาบิน Allah, อัลลอฮ์อภัยจะโทษให้ก่อฟูรุนแล้วก็เป็นผู้ที่อัลลอฮ์เป็นสู้อาภายัยแก่คนที่อะไรนะก่อฟูรุนอาวาบินอวาวาบินแปลว่า เป็นผู้ที่กลับตัวกอฟูรุนเป็นอลัลลอฮฺเป็นผู้อภัยกับคนที่กลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีด้าน ก, การกลับตัวที่ดีที่สุดก็ ค, คือนอกจากนมาฎห์เวลาแล้วไม่ทําบาปแล้วให้ทําดีกับพ่อแม่ตัวเองเป็นการเตาบักตัววิธีกลับเนื้อกลับตัวที่ดีที่สุด น, นะครับ อ, อุลามะอธิบายนะเขาวอ ว, วาบินก็คืออิดะดะคาระขอตอยาหูอิสตักฟาระมินฮาฮัดสกุตตบีเมื่อคนหนึ่งคนใดคิดถึงความผิดของตัวเองคิดถึงความผิดของตัวเองไม่อดีดมีไหมอ่ะความผิดของเรามีทุกคนมีความผิดหมดนั่นแหละนึกก่อหนึ่งก็อสองก็อสามข้อสี่นึก กล่าวเลยอัสตักฟิรุลลอห์ฉันขออภัยโทษ ต, ต่ออัลลอ์ไม่น่าทำเลยอย่าอัลลอฮ์ขออภัยโทษในความผิดที่ทำมาในอดีตนี่เขาเรียกว่าเอาวาคนที่กลับเนื้อกลับตัวคิดความผิดของตัวเองแล้วก็กล่าววา่าอัสตักฟิรุลลอห์คนนี้แหละเป็นคนที่อัลลอฮ์พอใจท่านกตาด้าบอกว่า คนที่อวาบีก็คือคนที่นมาดไม่ขาดในอุลมามะอธิบายต่อนะท่านอิบนับาสบอกว่าคนอวาบีก็คือคนที่ชมอัลลอ์ทุกวัน سبحان อัลลอฮ์ الحمد لله لا إله ال إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا, لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير นี่ให้ชมอัลลอ์เยอะๆอีกท่านหนึ่งได้อธิบายบอกว่า อยู่โซนลูนอะบูคนที่ชอบนมาดุฮาตอนเนี่ยพุตวันขึ้นได้ย0สินาทีเนี่ยนมาดุฮะได้แล้วรักษานมาดูฮาบ่อยๆนี่แหละเป็นคนอวาบีใช่ไหมอาศัยอุลมะคำอธิบายอย่างนี้แสดงว่าการทำความดีมีอยู่หลายรูปแบบนะครับนอกจากทำดีกับพ่อแม่นมาดุฮาด้วยอ่านกุอาอ่านด้วยสืกรุลาล้อด้วยพูดชมอัลลอ์ด้วย เป็นของดีทั้งหมดเลยนะครับรวมไปถึงท่านพีน่น้องเดินทางกลับมาถึงบ้านนาบีสอนให้อ่านดูอาบทนี้อาอีอาอีบูนอาวาบินเนี่ยนะแปลว่าอาอีบูลตาอีบูลอาบิดูนลิร็อบบินาฮามิดูนไปเดินทาง ออกจากบ้านไปเดือนสองเดือนสเดือนสเดือนพอกลับมาถึงบ้านอันดูอาบทนี้หรือไปทำพักกลับมาถึงบ้านอันดูอาบทนี้หรือไปสาวันสวันกลับถึงบ้านอันดูอาบทนี้อะไรอาอีบูลเราเป็นผู้เดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วตาอีบูลเราเป็นผู้กลับตัวกลับใจแล้วอาบิดูลเราเป็นคนทําความภักดีต่ออัลลอ์แล้ว ลีรบบีนาการผู้อภิบาลของเราหาไม่ดูและเป็นผู้สรรเสริญผู้อภิบาลของเราต้องกล่าวดุทิศลำเลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาละเราก็ต้องไปซื้อหนังสือดุทิสมาอ่านรายงานเนี่ยซือหนังสืออุทิมาเนะี่ยอุทิอาเนี่ยอุทิมาต่างๆออกนอกบ้านวันสองวันสาวันกลับมาถึงบ้านต้องอ่านดุอิมาบทนี้นะครับต่อมาอายาที่ยี่สิ وآت ذل وآت ذ ال َ القرب حقه والمسكين وابن السبيل ولا ت ب ذ ّ ر تبذيرا وآت แปลว่าจงให้จงมอบให้ ذل قربا ให้สิทธ์นะฮักฟูแปลว่าให้สิทธิ จงให้สิทธิ์แก่ใครครับซาลกูรบาแก่ญาติที่ใกล้ชิดใช่ ไ, ไหมอัลลอฮฺจะเน้นเรื่องญาติใกล้ชิดนะไอเราในะมีญาติสองญาตินะญาติใกล้ชิดกับญาติห่างไกลญาติใกล้ชิดเนี่ยอธิบายแรกทั้งหนึ่งมีพ่อมีแ ม, ม, แม่มีลูกมีหลานมีน้องพ่อกับพี่พ่อน้องแม่กับพี่สาวแม่นี่ญาติใกล้ชิดนะนะครับ ฮักวะฮูสิทธิที่เขาจะได้รับมีอะไรบ้างมอบให้หมดวาติดัลกรบะฮักวะฮูจงให้สิทธิแก่ญาติใกล้ชิดยังไม่พอครับให้ใครอีกวัลมิสกีและผู้ขัดสนสิทธิของเขามีอะไรที่จะต้องรับจากเราให้เรารวยพี่น้องเรารวยก็ต้องให้เงิน มีความรู้ก็ให้ความรู้เรามีมารยาทดีแล้วก็ต้องไปคุยกับเขายิ้มกับเขานี่มอบสิทธิของเราตรงนี้นะครับต่อมาใครอีกวัฒนศรีสสบีนและผู้เดินทางเห็นอย่างศา ส, สนาอิสลามสีส่งเสริมให้เราเดินทางใช่หรือไม่ใช่เนี่ยเห็นั่งนั่งเห็นมัสยิดเนี่ยมุสาวกหมดเลยใช่หรือไม่ใช่คนที่อื่นใช่ไหม มาอยู่ด้วยมั้งห่างหางมาอยู่ด้วยกันในมัสยิดรอบๆมุซาเฟตทั้งหมดนั่งอยู่นี่ให้ส่งเสริมให้เดินทางอิหม่ามอบบาฮานิฟาบอกว่าคนจะเป็นอิหม่ามจะเป็นผู้นําเนี่ยต้องเดินทางเก่งๆแล้วก็ใจใหญ่ๆ ห, ห, หน่อยชอบให้ชอบให้จะรูปร อ, อยินดีใหญ่นะรอด้วย อ, อ, วอวดรอผู้อาภัตแล้วก็รวยด้วยแล้วก็ชอบเดินทางด้วย พอเดินทางเรียได้ข้อมูลเต็มเลยนะทุกหมู่บ้านเราไปมาหมดแล้วรู้จักคนนั้นรู้จักคนนี่ยพี่น้องได้ข้อคิดดีหมดเลยเอาตกลงว่าจงให้สิทธิแก่ญาติที่ใกล้ชิดนะครับญาติใกล้ชิดอธิบายแล้วนะพ่อแม่นะลูกชายลูกสาวหลานญาติทั้งใกล้ชิดทั้งพ่อฝ่ายพ่อแล้วก็ฝ่ายแม่นะแล้วก็คนยา ก, ยากจน ผู้ขัดสนวับยสบินผู้เดินทางวาลาตูบาซิรตาบซีรอและจงยาสุรุยสุรายเวลาให้เวลาให้นะเหนี่ยนะก็ต้องให้แบบดีๆนะพอรอยาเสือกให้อ <laughs> ะให้ดีๆเพราะสิทธิของเขานะอยู่ที่เรานะอัลจีมินนมีเงินอยู่สิบล้านยกตัวอย่างเนี่ย ในสิบล้านนี่ไม่ใช่ของเราทั้งหมดนะอีกแปจําพวกอยู่ในกองสิบล้านนั่นนี้พ่อแม่อยู่ตรงนี้อยู่ในเงินนี้ลูกอยู่ตรงนี้วิสิทธิ์ได้รับจากเราด้วยท่า น, นเวลาให้ต้องให้แบบไหนต้องให้ว่าหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบรเนี่ยมอลนาอับุลฮะซันพูดดีนะพูดว่านี้นี am am ่อามัลอามีรุอัลาบาบิลฟติร นี่ไม่ใช่นบีพูดนะมอหะอับูลฮานซันนักอัลลามะใหญ่ของอินเดียเป็นเป็นสักอะไรนะเป็นอะไรโอตัวโอตั ว, วมาถึงกรรมการของรอรอปีต้อนะถ้าบอกว่าคนรวยที่ดีที่สุดต้องไปยืนอยู่หน้าบ้านคนจนแล้วก็คนจนที่เลวที่สุดก็คือคนจนที่ชอบไปยืนอยู่หน้าบ้านคนรวยอธิบายยังไง หน้าที่ของคนมีจะกินมีเงินมีทองมีริสกีต้องเดินไปหาเขาน่ะต้องเดินไปหาเขาน่ะไม่ใช่ให้คนจนมายืนหน้าบ้านขอบประตูท่านครับท่านครับไม่ใช่ท่านคนจนที่เลวก็คือคนจนที่ไปยืนอยู่หน้าบ้านคนรวยคนรวยที่ดีที่สุดก็คือคนรวยที่ไปยืนอยู่หน้าบ้านคนยากคนจนของพิ้องมุสลิมที่มีปัญหาเดือดร้อนเนี่ยต้องดูแลเขาน่ะ โอ้ดีมากครับแต่ทีนี้อลัลลอฮ์หลังจากอาลัลลอฮ์สั่งให้ทําดีกับพ่อแม่นะอลัลลอฮ์ก็สั่งให้ทําดีกับญาติใกล้ชิดเนี่ยนะครับฉะนั้นญาติใกล้ชิดเนี่ยทำดีแล้วได้อะไรนะน บ, บีสอนอย่างนี้มันฑะฮาบะอิยะบสุตอลาฮูฟิริสกีฮีใครที่ต้องการอยากจะให้ริสกีเนี่ยเพิ่มเพิ่มพูนขึ้นอยากได้ริสกีเพิ่ม ริสกีใ น, นจติตใความหมายเงินก็ได้ริสกีเป็นความรู้ก็ได้ริสกีหมายถึงอัคลากส่วนอื่นๆก็ได้ริสกีอีหมานก็ได้ริสกีมีความหมายกว้างเราขาดอะไรเยี๋ยวเอาลอเพิ่มคูนส่วนนั่นทีนี้นบีสัง่งมัลอะฮับอายยาบุซุตอลลฮูฟีริสกีใครที่ต้องการอยากจะเพิ่มริสกีให้แก่เขาเพิ่มเพิ่มขึ้นวายุนซาอัลลฮูฟีอาจารีฮีต้องการให้อายุยืนยาว อายุยาวเจ็ดสิบสามใช่ไหมขอแปดสิบหรือเก้าสิบทำไงครับฟันยาซิลรอให้มาหูให้ติดต่อกับเครือญาติเห็นไหมติดต่อกับเครือญาติอายุยาวอ่ะริสกีเพิ่มไหมเพิ่มอัลลอฮฺอั ล, ลอบัดแค่นั้นคำว่าต่ออายุเนี่ยมาต้องรอเดือนเดือนชาบานมาต้องรอแล้วทำท่าทุกวันมาต้องรอเดือนชาบานอ่านยาซีนสามตน้นโอ้โรออีกปีนึงอ่ะไหวหรอ ฮะแค่นั้นเพูดอย่างนี้พี่น้องโมโหไม่พอใจดูดีดูมันพูดอย่างนี้มันดูถูกกันไม่ใช่อะอัลหอจิตนาบีประชาจริงนะนะครับทีนี้วัลาตุบัาซิตับดีรออุลามะอธิบายดีนะทัดอิบนาอับบาสมุจาฮิดบอกว่าเราอัมฟะกออินซานมาละหูกุลละหูฟิลฮักใครที่บริจาคเงินในทางที่อัลลอฮ์สั่งนะ ไม่เรียกว่าคนนั้นเป็นคนมุบาซิรคนที่สุรุ่ยสุร่ายอา้าวสร้างเรือนศาสนาธถรมเลยยืมหาล้านชั้นจ่ายคนเดียวยืมหาล้านอย่างนี้ชาจ่ายสู่สุรายไหมไม่สุรุ่ยสุร่ายว่าเราอัมฟากอมุดดันฟีร้อยรีฮากินแกนมุบาซิร์นมุบมุบาซิร์นใครที่ใช้จ่ายเงินไปทางที่ผิด ชายจ่ายเงินในทางที่ผิดเนี่ยแม้แต่หนึ่งเหรียญหรือเท่ากับหนึ่งมุตในทางที่ผิดนะอรดตําหนิว่าคุณนั่นชายจ่ายผิดประเภทเป็นคนที่สูรุ่นสูร่ายอรดาเลยครับทีนี้คนที่เอาเงินไปเนี่ยเงินของเราเนี่ยนะเอาไปทำศินานะ เอาไปกินเหล้าเอาไปเล่นการพนันถามว่าสูรุ่ยสูร่ายหรือไม่สูรุ่ยสูร่ายสูรุ่ยสูร่ายครับเพราะทำฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮฺไปซื้อบุรีมาสูบโอ้ว่าบุรีได้ไหมแล้วตังเรานี่ยแะไปซื้อบุรีมาสูบเนี่ยสูรุ่ยสูร่ายไหมสูรุ่ยสูร่ายครับนี่แจกคุณค่าอะไรนี้เอาเงินไปทำสินา พาผู้หญิง ก, กิ๊กพากิ๊กเที่ยวสุ้รู้สุรได้เข้าบาร์นายขับสุ้รูยสุรได้ไปเล่นการพนันเล่นม้าสุ้รูยสุ้ได้ขับบอลการพนันสุ้รูยสุรได้รรนนเงินของเราก็จริงอ่ะอีกข้อหนึ่งทําถูกต้องทําถูกต้องบริจาคสาร้างโรงเรียน ส, สาสนประถมเนี่ยลยยี่สบล้านทันรับคนเดียวสร้างโซราวท่นรับคนเดียวถูกไหมถูกต้องแต่ในใจอะ โอ้อวดอ๋อพี่น้องในใจโอ้อวดนี่ก็เป็นมะเสียเป็นความชั่วจะนิดนึงข้าข้าค า, ายเนี่ยตับบรีรอสูรุ่ยสูรไเหมือนกันใช้ใจ ผ, ผิดผิดเนียดเสียเนียดไม่ดีเห็นไหท่านอิสลามอลอลประคองตัวเราไม่ให้มันพลาดนะจะเนียด จะทําความดีบริจาคดีไม่ดีแต่อย่าเนียดโอ้อวดนาะให้เนียดเพื่ออิมา น, านั้นหวัดดซาบันให้อิมานเพิ่มแล้วก็หวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุภาณาววตาแหละอัลลอฮฺพี่น้องกับดีหมดเลยนะภาษาอุดดูบอกว่าวไรนะมักซูดชูฮุรตวาตาฟาขุดนี่ภาษาอุดดูอารับทั้งหมดนั่นแหละบริจาคเพื่ออะไรนะเพื่อการโอ้อวดต้องการชื่อเสียงเป็นความชั่ว มองรู้ไหมไม่รู้แต่ว่าคนลบุญอัลลอฮ์ให้บนดุลยานี้คนที่เนียร์เนียรนี่เนี่ยเสียนะเพราะว่าต้องการจะต้องการชื่อเสียงเกียรติอัลลอฮ์ให้ไหมให้ไม่ใช่ไม่ให้นะให้บนดุลยานี้เลยอะคิรอดได้ไหมไม่ได้เลยอะคิเราอจบคนจะได้รางวัลใ น, นาอะคิเราอต้องอีมานั้นวัดิสาบานันแค่นั้น ทำด้วยอีมานให้อีมานเพิ่มสองหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุภาณหั ว, วตาละพี่น้องนี่มีอยู่ฮะดิสหนึ่งอธิบายอย่างนี้คนที่จ่ายสะกดโอ้คนที่จ่ายสะกดเนี่ยทำให้หัวใจของท่านสะอาดสองทำให้ซัพย์ของท่านที่อยู่กับท่านเนี่ยสะอาดสะอาดสองอย่างนะสะอาดทางหัวใจและสะอาดทั้ง ทรัพย์สินนะครับทีนี้บริจาคให้ใครเวลามีอากาศนึกถึงญาติก่อนไม่ใช่นึกถึงพม่า ก, ก่อนอยเพิ่ง น, นึกถึงญาติตัวเองก่อนกล้าชิดก่อนเนี่ยเพราะญาติกล้าชิดบางที ก, ก็จนก็มีใช่ไหมละ่ะญาติกล้าชิดหมายความมายืนอยู่หน้าบ้านคนรวยกลัวจะถูกตาหนิว่าคนจนที่เลวชอบมายืนอยู่หน้าบ้านคนจวนฉะนั้นคนรวยๆต้องนึกถึงญาติตัวเองก่อน ใช่ครับต่อมาครับคิดถึงคนอื่นที่หลังญาติก่รคนอื่นที่หลังนะครับแล้วก็วัตะ์ดีภุฮักกอสซาอินคนที่มาขอก็ต้องให้ก็ด้วยนะหลอมีเงินมีทองคนขอมาผมนั่งคุยกับคนคนหนึ่งเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาบอกเขาไม่ให้คนมาขอนี่ไม่ให้ฉันก็ให้ทำงานฉันมีงานในสวนอาปา ทางญาเนี่ยให้ก็ตั้งคนว่าฉันไม่ทำมาทาั้งก็ออกไปไม่ไม่ให้ทีนี้ไอ้คนขอเนี่ยมันก็ต้องรู้ด้วยนะขอตัวเองยังแข็งแรงอยู่ไปขอเงินเขาเนี่ยอลัลลอฮ์กําหนินะนบีบอกว่า น, นะในวันกิยามะที่ใบหน้าไม่มีไม่มีเนื้อแล้วคนไม่มีเนื้อจะรอยอยังไงอ่ะมีจะกระดูกเดียวอะ่ะใบหน้าไม่มีใบหน้ามีแต่เนื้อไม่มีเห็นไห นบีพูดน่าคิดมากเลยเพราะอะไรแล้วก็วันญาตบ้านปกล้ชิดกันวันมิสกินคนยากคนจนอัลลอฮฺอัลลอฮฺไปน้องครับตรงนี้ต้องการจะบอกว่าการสะสะสมทรัพย์นั้นไม่เป็นที่ห้ามในอิสลามการสะสมทรัพย์เนี่ยห้ามไหมไม่ห้ามแต่การหาทรัพย์เข้าบ้านในทางที่คารองเป็นที่ ต้องหา้ามสะสมทรัพย์เนี่ยได้แต่ต้องแสวงหาทรัพย์ในทางที่ฮะลาฮอย่างเดียวเอามาเก็บไว้นีได้แต่ต้องจ่ายซะกาตต้องจ่ายซอโดโกฮะดียะแต่อีกข้อหนึ่งอะไรวกัฟสี่ข้อต้องนึกตลอดเวลาจะจ่ายซะกาตหรือว่าจ่ายซอโดโกต้องนึกถึงใครก่อนนะญาติใกล้ชิดก่อนนะครับต่อมาครับ อายะสุดท้ายอินนัลมุบัตซีรินะคันอิวานชยตนแท้จริงบรรดาคนที่สู้รุยสูร่้เนี่ยเป็นพี่น้องอิขวานเป็นพี่น้องของใครของชัยตอนอืมเห็นไหตอนเนี่ยมีสองอย่างชซยตอนที่มองเห็นตัวกับชซยตอนที่มองไม่เห็นตัว เรานี่มีกรีนนะทุกคนเนี่ยอลัลลอฮ์ให้กรีนกรีนมาถึงอะไรนะมีทั้งสองอย่างเลยมีทั้งไซต์ตอนแล้วมลัยกาอยู่ที่ตัวเราอลัลลอฮ์ให้ให้มาทั้งคู่นะกรีนมาถึงเกลืเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนซีเลยนะมีสองมีทั้งมลัยกาและไซต์ตอนอยู่ในตัวเราที่นบีก็มีจต่นบีบอกว่าราบอิสลามแล้วอยู่ก็บฉันรอิสลามมาอยู่ที่เราเนะี่ยพารก พาออกอีกอ่ะอันนั้นสังเกตนะคนที่อยู่กับมล า, ายิกาเยอะๆเลยเขาต้องเมตตามล า, ายิกาด้วยจะใส่น้ําหอมท่านคนที่ชอบใส่น้ําหอมเนี่ยเขานึกนะโอ้มล า, ายิกาอยู่กระชันเยอะใส่น้ําหอมนิดๆหน่อยให้มันหอมแร่ท่านคนที่ไม่ใส่น้ําหอมเนี่ยอยู่ใกล้ชิดใครขนาดจะอยู่ใกล้ภรรยา ยังต้งใส่ของหอมใช่หรือไม่ใช่เราเองก็ชอบของหอมพายาของหอมเดินเข้ามาอ่อนลอยังหอมชื่นใจแล้วมลาอิกาก็เหมือนกันเกานเวลาจะมามัสยิดอย่างวันสุกเนี่ยพยายามใส่เครื่องหอมเล็กๆน้อยๆอย่าใส่เยอะใส่นิดหน่อยพอแล้วใส่ครับ้องหอมอ่อนลอยชื่นใจฟันต้องแปรงเพอมาลาอิกาจะมาจูบปากคนที่อ่านสิ บ, สบิลลอร์ชิวโรฮามะนิโรฮิ มาจะเจอปากอาญาปากเหม็นจังเลยดูดูดูดูสุบุรีมาด้วยเพราะว่าถึงสุราล์ยนชแล้วเข้าสุราลเลยเพราะบัจจุปากอาญาี่บุรีทั้งนี่นี่คือน้องเราต้องนึกนะครับเชื้อบุรีมูบาเซตไหมถ้าอ่านจากฮาริสแล้วมูบาเิตหมดเลยก็ขอฝากเอาไว้นะครับยังเลิกไม่ได้ก็ขอดุอาตรอให้เลิกนะครับอินนัลมูบาเซริน แท้จริงบรรดาสูรุยสูรายผู้สูรุอยสูรายนั่นเป็นพวกของไซตตอนและเราเราซตตอนนั่นเป็นยังไงครับลิร็อบบีกัฟูลเป็นผู้เนรคุณต่อพระผู้อาภิบาลของเขาทำาซตตอนเนี่ยถูกตำหนิจากอัลลอ์เขาทำอะไรรู้ไหมทรยศต่ออัลลอ์ไม่ยอมสูยูต่ออัลลอ์แค่นั้นเองเรื่องเดียวไซตตอนเนี่ยนะที่อัลลอ เมื่อก่อนเป็นอยู่ในกลุ่มมลรัยการนีแ่แหละพอไม่สูดอยู่กับอัลลอฮ์ปั๊บระบอบเอ็มมันใช่ตอนพอเป็นใช่ตอนพาพถามมาทําอะไรไม่สู้อยู่ต่ออัลลอฮ์เรื่องเดียวนะดันั้นเราก็เหมือนกันมนุษย์วะเนี่ยถ้าไม่สูดอยู่ต่ออัลลอฮ์เนี่ยเป็นอะไรทําไม่นมาเป็นใช่ตอนนะ่ะดันั้นต้องดูแลลูกให้ดีลูกเออต้องนมาท่าลูกนะารรยายก็ต้องนามานะขาดนามายอย่างเดียวนะี่เป็นใช่ตอนแล้วนะ นั่งีเป็นตนนะครับเอาอายะสุดท้ายนะครับพี่นอ้องแล้วก็ในฮัดดิกัสในตัฟิดกับพูดบอกว่ารอยตุลมาดัมมาความชั่วที่เลวที่สุดไม่มีอะไรที่จะชั่วเท่ากับไยตอนเพราะไชตอนเนี่ยเป็นถ้อยคาเป็นภาษาที่เลวที่สุดใงกัมพูชาที่เลวกว่าไชตอนไม่มีแล้วนั่นเป็นถ้อยคำที่ร้ายที่สุดที่แรงที่สุด ถ้าอัลลอฮ์ตำหนิใครว่าเองเป็นไยต์อร น, นั่นแหละเป็นความชั่วที่สุ ด, ส ด, สดแล้วนะครับอายะสุดท้ายนะครับยีปว่าอิมมาตวริ บ, วรรร บ, บันน้านฮูโมบติรออัลห์อ์มติมิรับบิกตาร์ูฮ์ฮะกุลลาห์มกาลัมไมซูรอว่าอิมมาตวริบันนาอันหุม และหากท่านถิ่นหลังให้กับพวกเขาอธิบายยังไงพี่น้องเราเคยช่วยเหลือคนนะเคยมีสตังล้าช่วยใช่ไหมช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยแล้วต่อมาเราไม่มีสตังสตังไม่มีช่วยไม่ได้แล้วทำไงครับพอช่วยไม่ได้เวลาเห็นคนยากคนจนมาเราก็ต้องหลบหน้าหลบตาใช่ไหมล่ะเนี่ย รอธิบายถ้าหากท่านเนี่ยหลบหน้าหลบตาหรือผินหลังให้กับพวกเขาเพื่อสแสวงหาความเมตตาจากพระผู้อาภิบาลของท่านโดยมีความหวังดังนั้นจงกล่าวแก่พวกเขาด้วยถ้อยคำที่นิ่มนวลอธิบายอย่างนี้ท่านเนี่ยหันหลังให้แก่ญาติสนิทหันหลังให้กับคนใกล้ชิดที่เขามาขอสตางค์ท่านเมื่อก่อนนั่นให้ตอนนี้ ให้ไม่ได้แล้วเงินไม่มีเวลาเขามาขอท่านท่านหันหลังให้เขาแล้วก็หรือว่าคนเดินทางที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากเคยได้จากเราสม่ําเสมอใครมาที่คอเทสตรตรงเนี้บ้านหลังนี้ช่วยทุกทีเลยหมื่นหนึ่งห้าพห้ารวันนี้แขกมาตกทุกข์ได้ยากที่คอนเทสตไปขอบริจาคไม่มีตังค์แล้วแล้วก็ต้อหลบหน้าหลบตาไม่อยากจะเผชิญหน้าใช่ไหมอลัลลอฮฺสั่งบอกว่า เพราะท่านไม่มีอะไรจะช่วยเหลือพวกเขาอย่าหลบหน้าหลกตาเยอะให้ทำไงนะให้พูดดีๆเห็นไม <c oughs> ไม่ให้หลบหน้าหลบตาแต่ให้พูดได้นะพูดดีๆฝักุลแล้วหุ่มเข้าล้ำไม่สู้รอจงกล่าวกับพวกเขาจงพูดกับพวกเขาจงทักทายกับพวกเขาด้วยถ้อยคำที่ไม่สูดหมายถึงไรยิน ไม่สู้รอแปลว่าแล้วนะลายดุลแปลว่าพูดนิ่มนิ่มพูดดีดีพูดให้ความหวังกับเขาวอกอย่างนี้นะวันนี้ฉันไม่มีนะเดี๋ยวถ้าเอาล้อให้ริสกีฉันเพิ่มขึ้นทั้งก็จะดูแลพวกคุณเหมือนเดิมนี่สอนหนึ่งมารยาตไม่ใช่หลบหน้าเลยไม่โพหน้าโพตาไปไหนอยู่ในสังคมนี่แหละแต่ให้พูดจะาดีๆกับพวกเขาอัลลออัลบาร์นะครับ ในหะดิษอธิบายคำชะรอกอธิบาข้ออิฟนุกเซตอิดาสานักกาอัคอรีบุกะเมื่อยติพี่น้องของท่านเนี่ยมาหาท่านเคยได้จากเราแต่วันนี้ช่วยไม่ได้แล้วจนดื่มีปัญหาอามารนาการปิยาอปออ็มวันไลสานักกาปิชัยเมื่อก่อนนี่เคยให้แต่ตอนนี้ให้ไม่ได้แล้วว่าอารตอานฮุมท่านก็หลบหน้าหลบตาไม่อยากจะเข้า hm. สังคมเพราะเงินไม่มี ก็ทําได้แต่ว่าให้พูดจาดีดีอิรยาจาอัลกุลสุลลาะพูดอย่างนี้ถ้าหากฤสกีของอัลลอฮ์มาหาฉันเพิ่มอื่นฟานาซูลุกุมอินชาอัลลอฮ์เราจะไปหาท่านเลยจะติดต่อกับท่านไปให้ท่านถึงบ้านเลยโอ้โหลยมคนจนๆก็ดีใจเออพูดจาดีทำดีๆแล้วแบบนี้คนจนคนรวยต้องพูดจาดีคนรวยจะกลับบุญได้ไหมโอ้เย้ายิ้มจ้องห้องไม่ได้ต้องนอบน้อมแล้วก็ทอมตนต่ำคนยากคนจนด้วยนะครับ سبحانك ALLAHumaya bihamdi k a s h u l l a h i l l a h illa anta astaghfirka wa t a b u l a i k u s a l l a m w a h u a l a h i w a b a a k a h uh.